FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี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 ของจิตวิทยานะคะเป็นเจ้าประจํานะคะสวัสดีค่ะลุงยุ้ยสวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ ฟ, ฟังทุกท่านครับผมค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของปลายเดือนตุลาคมค่ะลุงครับผมยี่สิบห้าตุลาแล้วนะเนี่ย<ช>วันเนี้ยช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วค่ะเดือนสิบปลายเลยครับอืมเค้านี้สิ่งที่เปลี่ยนไปรอบๆตัวเราก็คืออาจจะเป็นเริ่มเริ่มต้นของฤดูหนาวลุงอืม เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะปีใหม่ละไม่ใช่เริ่มต้นฤดูหนาวอีกไม่นานก็จะร้อนละอ้าวเหรอมันก็หนาวปั๊มหนึงแล้วมันก็ร้อนใช่ที่ลุงบอกเลยก็จะถึงเทศกาลปีใหม่นะคะบางทีคนเราอาจจะคิดว่ามันเร็วมากเลยปีใหม่เมื่อไม่นานที่ผ่านมากำลังจะถึงปีใหม่อีกแล้วอีกอออรบยากให้คุณผู้ฟังทวนทวนสอบตรวจสอบชีวิตตัวเองว่าในสิบเดือนที่ผ่านมาคุณมีความสุขบ้างไหม ออืทำอะไรแล้วสบายใจมีไม้จดไว้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคุณผ่านอะไรมาบ้างคุณมีความสุขไหมในสิบเดือนที่ผ่านมาแล้วอีกสองเดือนที่จะถึงปีใหม่คุณจะทําให้ตัวเองมีความสุขได้อย่างไรเออเลุงนะคะเอาลุงก่อนเลยลุงปีเนี้ยถือว่าลุงเกษียณอายุราชการลุงมีความสุขไหมคะลุงเกษียณเมื่อกันทีสามสิบกันยาที่ผ่านมาตุลลุงมีความสุขมีความสุข อืมเพราะ ว, ว่าเพราาะว่ตัวเองมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากสอนต่อหรือไม่อยากทํางานต่อนะแต่มีความดุกับการที่เราไม่ต้องไปมีบทบาทมากมายนะะักอ่ะแต่มันจะไม่มีบทบาทเลยนะคะลุงไม่มีบทบาทเลยไม่เป็นไร <c oughs> นะแต่ว่าเราก็อย่างน้อยที่สุดลุงก็มีความดุกับการจัดรายการวิทยุอืมลุงก็จะมีเวลาในการจัดเออ<ม>ได้ถามกับ กับเจ้บบาหน้าที่สานีแล้วบอกว่าจัดต่อได้นะคะเพราะว่าลุงเป็นอาจารย์จิตวิทยายังไงจิตวิทยา เ, เนี่ยมันก็ยังอยู่ในตัวลุงไม่ว่าลุงจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะนั่นแหละครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะลุงยุย้ยเกษียณอายุราชการแล้วรายการจิตวิทยาจะยังอยู่ไหมอยู่แน่นอนนะคะคแล้ววันนี้ที่พูดคุยกันในเรื่องของความสุขเปิดรายการมาเนี่ยกําลังจะพูดถึงในเรื่องของกุญแจวันนี้เราจะมีกุญแจค่ะที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะ ได้ครับผ ม, มความสุขของคนเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะลุงคือความสุขบอกได้เลยว่ามันเกิดจากในใจเราเลยนะถึงว่าน้องจใจภ<า>ยนอใช่มันถึงว่าล้อมภายนอกมันเป็นองค์ประกอบแต่เราต้องมีความสุขใจก่อนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าผมว่าน้องทีไปอยู่ในเ อ, อะไรดีครับทะเลนะไปเที่ยวทะเล แต่ใจน้องทีไม่มีความสุขอะทะเลที่บอกว่าสวยสวยมันก็จบเลยอะก็คืออาจจะคิดเรื่องงานคิดถึงปัญหาที่มีเข้ามาในชีวิตทั้งๆ ท, ที่ตั้งใจจะไปพักผ่อนใช่ครับถูกต้องอเพราะนั้นอันแรกเลยของสุขของคนเราลงุงคิดว่ามาจากใจก่อนใ จ, ใจแลวอวโปอยสบายสบายมีความรู้สึกดีแล้วเนี่ย สิ่งแวนล้อมต่างๆมันเตื้ออํานวยด้วยเนี่ยมันยิ่งมีความสุขไปกันใหญ่ลุงแต่ว่าที่ลุงพูดเนี่ยใจใช่ไหมคะแต่ว่าสมองมั น, <ห>นคิดเนี่ยที่เลยไม่รู้มันมีความสุขจากใจหรือว่ามีความสุขจากสมองสิ่งที่เราคิดอ่า ม, มีนะครับมันมันติดติดกันนะครับแต่ว่าคือถ้าบอกว่าใจเราเบิกบานเคยได้ยินว่าใจเบิบกบานนะค่ะกับสมองเบิกบานรไม่เคยได้ยินนะสมองโปรง่งลงสบายเออถูก<บ> มันก็เป็นไปได้อย่ที่น้องทีว่านะครับพอดีน้องทีพู่งนี้ปุ๊บนึกถึงผู้บริหารบางท่านขึ้นมาเลยให้ให้ลูกน้องไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อดี่เพื่ อ, อที่จะให้ลูกน้องดีแหละจริงก็จะรีแลกด้วยแต่ไปถึงชายหาดแล้วว่านั่งบนอะไรนะครับเสือชายหาดอะ่ะเอางานไปทำอะ่ะโอ้โหแบบ ขึ้นน่ะขึ้นไปดีก่ะอือเอาก็ <นะ S 1> อาจจะทํางานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันดีอเาเงินไปทํา <c oughs> หัวสะพองแล้ว <c oughs> คิดบวกล <c oughs> คือถ้ามันจําเป็นงงถ้ามันจําเป็ น, น, นถ้ามันจําเป็นก็เอาไปทําได้ถ้ามันจําเป็นถก็จําเป็นแต่คราวนี้ลุงมีความรู้สึกว่าเอ่อป้าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะรีแลกและพักผ่อนค่ะถูกไหมครับแต่ว่าเอางานไปทําก็เลยคุยกับผู้บริหารทานนั้นบอกว่าพี่ครับ ที่ต้อ ง, องงานมาทำด้วยเหรอครับคำตอบที่เขาตอบมาเขาไม่ได้โกรธเราน ะ, ะแต่สิ่งที่เขาตอบมา น, นี่พูดเหมือนสามีพี่เลยบ อ, อ, อกกันว่าไงครับก็พี่ก็อา ง, งานไปทำในห้องนอนอด้วยแล้วเหตุผลที่เขาเอามาทำเหรอเขาบอกว่ามันไม่เสร็จเพราะอะไรมัน<ข>มต้องเตรียมตัวเขาต้องเร ต, <c oughs> ตงเรียมตัวไว้ก่อน พวกนี้เจ้าจะมีประชุมถ้าไม่อ่านรายงานก่อนเดี๋ยวมันจะประชุมแล้วไม่ลาบหรือนี่คือไม่ให้ใจและสมองคุณสั่งงานตลอดเลยที่น้องทีบอกมันเป็นอะไรซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยหรือเปล่าบางทีทุกอย่างมันอาจจะเสร็จหมดแล้วแหละแต่ผู้นี้เขาต้องพรีเซนต์หรืออะไรสักอย่างเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมเขายังต้องซ้อมอีกเขายังต้องดูอีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยลุงถึงบอกว่าบางทีอะสิ่งแวดล้อมภายนอกอ่ะ มันดูน่ามีความสุขจะตายแต่น้องทีมาเสริมคำว่าแต่สมองมันก็มันคิดเี่เห็นไหมครับเราก็เลยเอาสองอันมารวมกันให้ท่านผู้ฟังฟังว่าท่านผู้ฟังถ้าสิ่งแวดล้อมมันเอื้ออำนวยอยู่แล้วว่าช่วยสรุณาทําใจและสมองให้เบิกบานตามสิ่งแวดล้อมนะ เขาว่ากันว่านะคะที่อาจจะชอบอ่านหนังสือนิดนึงเขาว่ากันว่าว่าสมองจะเป็นคนสั่งการทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําอะไรแต่ถึงเวลาในเรื่องของความรักเขาบอกว่ามันแพ้หัวใจลุงมาหวานนี่มาหวานนี่เพราะว่าหัวใจน่าจะมีอิทธิพลในเรื่องของความรักมากกว่าสมองแต่ผมแต่ว่าไม่ได้พูดในเรื่องของความรักนะคะคุณผู้ฟังพูดกันถึงเรื่องของความสุขเอความสุขลุงขะเพราะอะไรเราถึงไคว่กว่าหาแต่ความสุข อาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้คนเราสุขน้อยลงเนาะค่ะหน้าหน้าเครียดมากขึ้นการงานการเงินอาจจะไม่คล่องตัววันวันก็ก้มหน้าดูว่าจะทํายังไงดีให้ได้เงินทองสมบูรณ์แบบอย่างนั้นค่ะมันก็คือเราจะต้องหาความสุขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าที่้องที่บอกฝ่ายคว้าหาความสุขเนี่ยบาที่ลุงมีความรู้สึกว่าเล็กๆกน้อยน้อยก็สุขได้ถ้าคนนั้นจะสุขอ่ะค่ะไว้ครับ อย่างเช่นเขาอย่างลุงเนี่ยลุงลุงทำกับข้าวแล้วทําับข้าวไปเนี่ยลุงก็ทําอย่างสนุกของลุงมาเด้ชิมกัหน่อยรสชาติเหมือนกับที่เราคิดด้วยเลยลุงยิ้มแล้วอ่ะอ่าในมุมกับการลุงถ้าคนชิมของลุงแล้วบอกมันไม่อร่อยเลยอะความสุขของลุงมันจะหายไปไหเอ้าก็อาจจะหายไปนะแต่ลุงเริ่มชิมของตัวเองก่อนแล้วเจอเออรสชาตินี้ไงที่ลุงจะตอบคือรสชาติเป็นยังไงเนี่ย ดูตามที่ลุงเคยที่คุณตาคุณยายพ่อแม่เคยทําให้กินใช่หครับผมก็เออรถนี้เลยรถนี้เลยที่ผู้ใหญ่เคยทำให้เรากินและได้แล้วสาหรับเราอื่ไหมครับค่ะก็ในเบรกแรกเราพูดกันนะคะในเรื่องของความสุขก่อนการแขควขันหาความสุขความสุขมันเกิดจากอะไรความสุขคืออะไรแต่ถ้าอยาก<ม>รู้ว่ากุญแจที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขได้อย่างไรเนี่ยต้องรอฟังในเบรกที่สองนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ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 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่02549 3680-1 และ081 866 8591เธอเธออยู่แห่งไหนงานมองดูท้องฟ้ากวา่างวันที่ฟ้าสิคลามเปลี่ยนเป็นลืดูการอบอุ่นร้อยเธอบินกลับมาอีกครั้ง ฉันได้กอดกอดจนหัวใจที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความรักมันมีค่ากว่าสิ่งใดแต่ลมหนาวพัดมาแล้วไปวันที่ฉันได้ทําพลาดก็เธอไม่นั่นพอเธอบินหายไปห า, หาเธออยู่ไหนยันมองดูทอ้อ ีฟ้าสีครามเปลี่ยนตะลืดูกันพบอุ่นร้อยเธอบินกลับมาแล้วนับต่อจากนี้ กอดฉันหัวใจที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความรักมันมีค่ากว่าสิ่งใดแต่ลมหนาวพัดมาเสียก่อนก่อนที่ฉันจะพูดว่าเสียใจก็สายไปที่จะเอ่ยคำว่ารักหาหาเธออยู่ไหนฉันยัง t r a change o u จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังขาววันนี้เราพูดถึงกุญแจที่ทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะอ่ะก่อนจะถึงกุญแจเนี่ยเราจะถามลุงก่อนว่าลุงลุงยุ้ยคิดอย่างไรคะกับคำพูดที่เขาบอกว่าอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นโอ้วันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับค่ะ เพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเรามีความสุขของเราอะ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยลุงนั่งทานออลูกชิ้นปิ้งกินลูกชิ้นปิ้งมีความสุขมากเลยเสร็จแล้วไม้ไม่รู้จะไว้ตรงไหนโยนไปที่สนามหญ้าอืเด็กน้อยวิ่งเล่นในสนามหญ้าโดนไม้ลูกชิ้นเราเนี่ยแหละทิ่มขาก็ยังทําไม่รู้ไม่รู้ว่าฉันทําผิดหรือไม่ผิดอะ่ะ เธอวิ่งมาโดนเองอ่ะอืฉันได้มีความสุขกับการกินอ่ะค่ะฉันพอใจแล้วอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างดีค่ะนะครับน้องทีเคยมีมีการทํานองนี้ไหมคือของทีนี่อาจจะเป็นดอกไม้ที่อาจจะเป็นคนชอบกินหอมของดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะอย่างกับอ่าดอกลิลลี่อย่างเงี้ยค่ะที่หอมมากเลยออืในขณะซึ่งบางคนถ้าถ้าเราได้ดอกไม้มาสักหนึ่งช่อล้วเอาเข้าไปในออฟฟิศเขาอาจจะมาให้เราในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เพื่อร่วมงานเราเหม็น เขามีอาการอาเจียนเวียนหัวสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเอ า, เอาอเดอกไม้นั้นออกจากห้องแั้ที่เราชอบกินมันมากเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นง่ายๆเลยว่าไม่อยังมีความสุขหอมแล้วคนอื่นเขาลำบากเขาเหม็นเพราะว่าแต่ละคนคมันมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะอืก็เรามีความสุขเราเอากลับไปไว้ที่บ้านเราเอากับไปที่ห้องเราตอนนั้นเราก็คงหอมใช่ไม่ทําให้คนอื่นเขารู้สึก เดอรอนหรือลำคานไปกับเราด้วยนะครับมันก็มันก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเขาก็ชื่นชอบดอกไม้อย่างที่้องทีบอกด้วยแต่เ้าก็บอกวพี่ทีเอามาทุกวันเลยนะคะที่เพื่จริ่มีความสุขถูกไหมหล่ะแต่บางทีถ้าความสุขของเรามันทําให้คนอื่นไม่ไม่มีความสุขเราต้องกลับมาทบทวนตัวเรานะคะว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมหรือว่าคนหมู่มากลุงขาแล้วกุญแจที่ทําให้ชีวิตมีความสุขและลุงมีอะไรบ้าง อันแรกเลยคือคุณมองว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรักชีวิตของคุณเองค่ะและดำเนินเลยทุกวันของคุณเองเนาะถ้าเนา ะ, น ะ, ะจะต้องดําเนินชีวิตของตัวเองไปให้มันราบลื่นอ่ะด้วยความสบายสบายทุกวันค่ะนะแต่จะบอกอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะเพราะว่าบางทีมันก็มีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาครับปัญหามีไว้ไว้แก้เนาะก็เลยมีไว้กลุ้มเพราะนั้นมีปัญหาแล้วก็แก้บ้างแต่ว่า ภาพรวมของมันเนี่ยถ้าเรามีความสุขกับชีวิตของเราเองเดาเนินชีวิตไปตามปกติที่เคยทํามันก็เป็นความสุขในเบื้องต้นล่ละคือคก็ต้องไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเหมือนกันนะคะถ้าดไดมนมาชีวิต ด, วด้วยความสุขแบบทุกวันอย่างนี้ค่ะเลิกเปรียบเทียบว่าเอ า, เอาเราไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้กับใครอะไรอย่างเงี้ยอืมลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ดีกว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะทําอะไรสักอย่างแล้วเราทํามันได้ ได้ดีระดับมาตรฐานก็ให้ตัวเองผ่านได้แล้วค่ะอย่าไปคิดว่าจะต้องออกมาให้มันดีที่สุดหรือว่าไปเทียบกับคนอื่นแล้วก็ยังทําไม่ได้เท่าเขาอย่างนี้ก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะคะลุงครับใช่เลยเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเปรียบเทียบมันไม่มีความสุขแน่นะครับค่ะมีเองไหมคะลุงอันนั้นก็คืออยู่กับความเป็นจริงค่ะเนะคอยู่กับความเป็นจริงแล้วไม่ต้องก็ไม่มีอคติด้วยนะเออไม่เสแสร้งแต่งทาจะต้อง อะไรเงี้ยนะครับคือเราเรารับความจริงได้ทั้งบวกและลบนะต้องบอกงนี้ก่อนถ้าเราอยู่กับความจริงเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะลุงซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนอื่นถูกต้อ ง, องเลยตรงอันไหนคือความจริงเช่นถ้าบอกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ลุงทําได้ลุงก็จะบอกว่าทําได้แต่ไม่ได้พูดเวอร์่าจนคนอื่นเขาลำคาญแต่ขนาดเดียวกันถ้าตรงเนี้ยเป็นจุดอ่อนของลงุงลุงก็จะบอกเลยบอกว่าโอ้สำหรับงานเนี้ยนะครับผมบอกตรงเลยผม ผมไม่ถนัดจริงๆผมอยากให้ท่านนี้ดีกว่าเพราะว่าท่านมีความสามารถมากกว่าไม่ใช่ว่าเขามั่งหมายอะไรเราก็อยากจะโชว์ power ทําได้หมดอันถึงเวลาก็มานั่งเครียดไม่มีความสุขนะคะมีอีกไหมคะลุงอีกางหนึ่งคือบางทีเนี่ยเราไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นน่ะไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นแล้วเราอื่นอ่านนะเขาก็อื่นอ่านค่ะ สุขพิธามอย่างเช่นอย่างเช่นถึงว่าเออเราสนิทกับเพื่อนคนนี้มากเลยเพื่อนมาทีใดแล้วเราก็จะมีความสุขทุกทีเลยแต่ถ้าวันนี้เพื่ไม่มาล่ะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เริ่มดีไม่ดีเราจะโทรศัพท์ไปหาเขาด้วยเอาวันนี้เขาก็อยากจะหยุดนะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเเองนะคะเราต้องอยู่ได้เราต้องเราต้องหาความสุขให้ตัวเองได้นะครับค่ะ อีกสักข้อได้ไหมครับได้ค่ะอีกสักข้อคือคุณจะต้องเห็นความดีในตัวของทุกคนไม่แค่คนไม่ใค่ตัวเราคนเดียวค่ะนะครับคือทุกคนเนี่ยมันมีความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวจริงแต่ว่าเราจะมองและไม่มองตรงไหนนะครับบางทีเนี่ยเรามองไอ้ส่วนไม่ดีเขา ไปหลายๆครั้งจนเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนเลวไปเลยเอางีา้เใช้กำลังแรงเลยแต่ถ้าบอกว่าเราหันมามองเราอ้าวเฮ้ยตรงนี้เขาก็มีดีนะตรงนี้เขาก็ใช้ได้นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนอย่างงี้แต่เขาก็มีดีตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่เสริมแล้วกันนะคะบางทีถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีพลังบวกๆคนที่เขาอ ม, มองโลกในแง่ดีเราจะได้รับการใจทอดพลังนั้นมาด้วยแล้วเา้าก็จะ นำพาให้เราประสบความสําเร็จหรือตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะผักดันกันช่วยส่งเสริมกันนะคะคือเราจะคบใครเราจะอยู่กับใครเราเลือกได้นะคะลุงออืเราเลือกได้อ่าลุงคนมักจะพูดตลอดเลยว่าความสุขเนี่ยมันมักจะผ่านไปเร็วเสมอเวลาทุกเนี่ยอยู่กับเราแบบ ว, ว่านานแสนสังหารนานใช่ไหมเวล า, าสุขจะผ่านไปเร็วเสมอลุงว่า ย, ยัางไงคะ จริงๆมันมันระยะเวลามันเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันในความรู้สึกลุงนะมันเท่ากันพริงแต่ว่าพอเราสุกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันมันไปไวค่ะอ่าลุงยกตัวอย่างง่ายๆให้น้องทีได้ทานไอศครีมหนึ่งถ้วยค่ะนะครับเป็นไอศครีมที่น้องทีชอบทานค่ะจะอบปั้นเยอะหมดเนะขนาดเท่กันค่ะอ่าก่อนที่น้องก่อนที่จะจบรายการ ให้น้องทีดื่มดื่มน้ําบอระเพ็ดซะหน่อยเพื่อล้างท้องเพื่อเนี่ยต้องถามก่อนลุกคือเราก็ให้ทีกินเนี่ยถ้าถ้าบอกว่าโอเคมันต้องล้างท้องมันต้องพบหมอมันต้องอะไรอย่างเงี้ยที่จะที่จะที่จะทําโดยที่ไม่ทุกข์พราะรู้ว่ามันมีประโยชน์มีเหตุผลแต่ถ้าอยู่มาให้กินแล้วเราเลือกเราก็ต้องเลือกที่เราจะไม่กิน เห็นไหนลุงถึงบอกว่าเพื่อล้างทองเพื่อที่จะให้ทีช่วยเช็คต่อไปว่าล้างทองเพื่อว่าให้ให้ไขมันที่กินอ่ะอให้ติมเมื่อแกไอซ์สกีเมื่อแกถ้าเาน้ำบรัเพ็ดกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไขมันละลายได้เร็วสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นได้มีอ้วนทีก็จะกินเออเออเท้องทีก็กินบรเัเพ็ดให้แบบเดียวกันอ่ะแต่มันยากย็นกว่างเนี่ยมันเลยช้ากว่านี่คือสิ่งที่ลุงต้องการจะบอก ใช่ครับไอ้กินไอติมตัดเนี่ยโงุดหงดแล้วอะพอกินบราเทสแก้วเล็กกว่าด้วยแต่อูทําไมปลาอื่นปลาอบกว่าจะกินได้มันนานกว่าใช่ไหมคะมันระยะเวลาเท่ากันมันอยู่ที่ใจแล้วไม่อยู่ที่สมองแล้วเราเนอะว่าเราจะคิดแบบไหนอ่ะสุดท้ายคะลุงเขาว่ากันว่าคนที่มองโรคแบบบวกๆคิดบวกเน่ยสุขกระทุกมันอยู่ใกล้กันมากเลยค่ะลุง ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่าแค่ไม่ทุกขสุกละอ่ะใช่ถูกไหมไม่ทุกขสุกละใช่แค่ทุกวันที่มันไม่มีปัญหาก็ถือว่าก็มีความสุขในทุกวันละใช่ครับใช่ครับคือถ้าเราดาเนินชีวิตไปแบบราบเรียบค่ะเออไม่ทุกไม่สุขอันเนี้เราถือว่าไม่ใช่เสมอตัวนะอันนี้ถูอว่าดีแล้ว่ะแต่ถ้าบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขมากขึ้นเช่น สมมติว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องทีค่ะ <c oughs> แล้วก็มีคนโทรศัพท์ ม, มาแต่เช้าเลย6โมงเช้ากริ่มาแรกเลยเป็นแฟนทีแล้วก็บอกว่านิจาแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะค่ะ <c oughs> แค่นี้คุณเริ่มมีความสุขตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะอืมต้องดูก่อนนะว่ายังเช้ามืด อ, อยู่หรือเปล่าคือถ้าเรายังไม่ตื่นอารมณ์มันก็จะเป็นอีกแบ<า>บ<า>นึงออืมบอก คุณเริปลนี่คุณจะปลายเปลี่ยนไปเลือเ่อเขื่อยนะก็ก็ต้องบายเบี่ยงเพราะมันไม่มีจริงไงคะลุงะแค่นี้เราก็มีความสุขเลยเห็นไหมคะจริงๆฟังเราสอง <c oughs> คนเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะเพราะว่ากับเราคือบอกว่าถ้าผู้ฟังเปิดมาเดอครับซีซีหรือซตื่นมาท่าลงเปิดเลยนะลุงแล้วเราได้ขำแน่นอนเจอที่เรา ด, ดีกับลุงยุยครับผมอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขใน ทุกๆวันนะคะหามุมมองอะไรก็ได้แค่ทํางานเสร็จไปหนึ่งชิ้นก็มีความสุขเถอะค่ะใครมาชมคุณคุณก็มีความสุขเถอะค่ะให้มันง่ายๆใช่ชื่อถ้ามีความสุขแบบง่ายๆแล้วคุณจะรู้ว่าทุกข์กับสุขเนี่ยเวลามันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะไม่ได้ว่าผ่านไปเร็วเลยทุกข์ก็ไม่ได้ทรมานเลยนะคะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะก็วันนี้ดิฉันทีรวรดียิ่งมีค่ะ ลุงยืนน่าจะเป็ชูทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันศุกร์น้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงขนาดพี่เขาคุมรายการเขาฟังเราเขายังขำเลยเขายังชอบเลยจร่ไหมล่ะก็ที <c oughs> หักหมุมลุงตอนจ <c oughs> ริงนะมันก็ต้องมีไงเด็กกั จิตวิทยากับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งเน้นกา ร, รผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล